ผิวแพ้ง่ายเกิดจากกรรมใดถามการที่เรามีผิวแพ้ง่ายทั้งสารเคมีแสงแดดไอร้อนฝุ่นถือว่าเรากำลังชดใช้กรรมหรือเปล่าตอบมีเหตุปัจจัยได้ทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามครับ ถ้าฝ่ายรูปนั้นแพทย์จะมีคำเรียกความัวของผิวชนิดนี้โดยเฉพาะเช่นโรคภูมิแพ้ผิวหนังปัจจุบันถ้าเป็นตั้งแต่เด็กก็จะสรุปว่าเป็นโรคที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่การแพทย์ปัจจุบันและอนาคตที่ยังไม่อาจเชื่อมโยงเหตุผลระหว่างรูปกับนามได้ก็จะมีที่สุดแค่ตรงนี้เอะ อ, อะไร บอกว่ามาจากพ่อแม่ไว้ก่อนสุดทานที่จะสืบสาวต่อให้ไกลได้ยิ่งกว่านั้นแล้วเมื่อไม่พบความผิดที่พ่อแม่ก็จะพยายามยัดเยียดความผิดให้ปู่ย่าตายายเป็นอันดับต่อไปส่วนใหญ่โรคนี้พอโตแล้วผิวหนังจะปรับตัวดีขึ้นแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่หายขาดไปทั้งชีวิต เท่าที่แพทย์จะแนะนาได้คือให้ดูแลสภาพแวดล้อมให้ดีให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งหม่มอาหารการออกกําลังกายการออกกาลังตลอดจนหลีกเลี่ยงงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีนอกจากนั้นเหล่าแพทย์ทางเลือกก็อาจมีวิธีบำรุงผิวเท่าที่ได้ยินก็เช่นให้กินอาหารเสริมอย่างเห็ดหลินจือ ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนะครับได้ยินมาอย่างนี้ก็เล่าเล่าสู่กันฟังเท่านั้นสำหรับสาเหตุฝ่ายนามก็ต้องมองว่าร่างกายนี้ของพวกเราคือวิบากจากกรรมเก่ากรรมในอดีตเป็นอย่างไรร่างกายนี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาสอดคล้องกับกรรมนั้นๆความเป็นคนผิวบาง อ่อนไหวง่ายกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ว่าอาจเกิดขึ้นจากกรรมต่างๆดังนี้ 1. เคยมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งยั่วยุต่ำข้อนี้ขอให้อ่านหรือฟังดีๆนะครับผมพูดถึงคนมีความคิดดีเป็นพื้นฐานเช่นตั้งใจแน่วแน่ที่จะรักษาศีลให้ได้แต่ทำไปทำมา พอถูกคนที่อยู่แวดล้อมดูดกลืนหรือถูกสถานการณ์กระทบเพียงเล็กน้อยไม่ได้มีการบีบคั้นมากมายก็ปล่อยใจเลยตามเลยง่ายๆอีกในหนึ่งคือใจอ่อนต่อราคะและโทสะโดยเฉพาะที่กรรมที่เจือด้วยโทสานั้นจะมีผลกับเรื่องของผิวหนังเป็นพิเศษคือวิบากมักทำให้เป็นคนมีผิวบาง ถูกกระทบนิดหน่อยก็เกิดแผลเป็นหรือแพ้สิ่งแวดล้อมง่ายหรือทั้งสองอย่างราวกับร่างกายป้องกันความปลอดภัยให้ตัวเองไม่ค่อยได้วิบากทำนองนี้สะท้อนว่าจิตสร้างพบอย่างไรกายก็ก่อรูปขึ้นตามนั้น 2. เคยแกล้งเพื่อนหรือญาติเอาสนุกได้ของหาง่าย และไม่อันตรายมากนักเช่นเอาหมามุ่ยโรยที่นั่งชาวบ้านเป็นประจำหรือคึกขนองขนาดโปรโยไปในอากาศแบบตั้งใจให้เกิดผลกับเพื่อนๆหลายคนทำแล้วนึกปลืมนึกสะใจอย่างแรงอันนี้ก็อาจมีผลเป็นผิวแพ้ง่ายและแสบคันรุนแรงส่วนจะเป็นช่วงเด็กหรือเป็นทั้งชีวิตก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอันเป็นตัวคูณต่างๆในการแกล้ง เช่นจำนวนคนที่ได้รับผลจากการกลั่นแกล้งน้ำหนักความสะใจความถี่บ่อยมีความสำนึกผิดบ้างหรือไม่ถ้ามีแต่ปัจจัยลบอย่างเดียวก็มักเกิดภูมิแพ้นานวิบากทำนองนี้สะท้อนว่ากรรมแม้ทำเล่นเหมือนเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าหากก่อความเดือดร้อนกับคนจำนวนมาก รวมทั้งมีองค์ประกอบเช่นความสะใจแรงๆมาผสมก็บันดาลผลให้เห็นทันตาในชาติปัจจุบันแต่ถ้าแกล้งด้วยความคึกขนองชั่วแล่นแบบเด็กๆก็อาจยกยอดไปส่งผลแบบรวบยอดในอัตภาพใหม่ซึ่งเพราะบุญเก่าอาจรักษาไว้ให้วัยเด็กมีผิวดีอยู่ สำหรับอุปกรณ์แกล้งเช่นหมามุย้ยที่ไม่ก่อความเดือดร้อนยืดเยื้อยาวนานก็จะให้ผลแค่ช่วงเป็นเด็กเช่นกันเราจึงมักพบว่าเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังมักโตขึ้นแล้วหายกันราวๆแปดในสิบเคยลอบวางยาพิษ สำหรับยาพิษก็มีสารพัดประเภทในที่นี้หมายเอายาพิษที่เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังโดยตรงถ้าเป็นขึ้นมาจะรักษายากและอาจมีอาการกำเริบที่น่ากลัวกว่าพวกแรกเช่นต้องนอนในตู้พิเศษตั้งแต่ยังเล็กเดินออกไปไหนมาไหนต้องมีอะไรคลุมทั้งตัวนี่ก็สะท้อนว่าเคยทำมาหนักเอาการ อย่างพวกนักวิทยาศาสตร์ที่คิดประดิษฐ์และทดลองอาวุธชีวภาพกับสัตว์หรือคนจริงจะได้รับผลที่โหดร้ายทรมานทรกรรมเกินจินตนาการจะหนักเบาเพียงใดหรือพิษดานพันลึกขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักเจตนาและความวิจิตของยาพิษที่คิดได้ สำหรับแนวทางในการแก้ไขให้หายขาดคงยากต้องดูเป็นกรณีไปเพราะถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังมักหมายถึงวิบากที่ห่อหุ้มตัวอยู่อย่างหนักแน่นมั่นคงไม่ใช่เอาชนะกันง่ายๆแบบปวดหัวตัวร้อนแต่สิ่งหนึ่งที่พอช่วยคือถ้าคุณตั้งใจถือศีลและสามารถรักษาให้ได้เกินคนธรรมดา เช่นแม้ตั้งใจก็ไม่ปล่อยให้คิดเลยเถิดปกป้องไว้ให้บริสุทธิ์และแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอแม้มีเรื่องบีบคั้นอย่างหนักก็ไม่วอกแวกอันนั้นก็มีส่วนให้ผิวหนังแข็งแรงขึ้นยิ่งทาต่อยอดเป็นการทำสมาธิและสำเร็จสมาธิขั้นสูงก็ยิ่งช่วยให้เห็นผลเร็วเรื่องผิวหนังแข็งแรงขึ้นเพราะสมาธิเนี่ย วิทยาศาสตร์ก็มีหลักฐานและอธิบายได้ชัดเจนนะครับการออกกำลังกายและการกินผักผลไม้ซึ่งล้วนมีส่วนเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็มีส่วนโดยตรงและอาจเห็นผลเร็วกว่าประกอบเหตุทางนามธรรมาด้วยนะครับขอให้เข้าใจว่ากายอันเป็นวิบากเก่านี้เราดัดแปลงมันไม่ได้ถึงรากเซลล์ก็จริง ถ้าว่าอาศัยโอกาสที่ธรรมชาติให้ไว้บริหารมันให้แข็งแรงขึ้นก็ลดความทุกข์และความเปราะบางลงได้มากโขหากกรรมเก่าไม่หนักหนาก็อาจหายง่ายทั้งที่ยังไม่พยายามรักษาสักเท่าไหร่แค่ดูแลความสะอาดรอบตัวนิดหน่อยขณะที่บางคนถ้ากรรมเก่าหนักนักรักษาอย่างไร ถือศีลทำสมาธิแค่ไหนก็ไม่ได้ผลแต่แค่ทุเลาลงเพราะฝีมือเราที่มันประกอบบุญใหม่ก็นับว่าดีพอสมศักยภาพมนุษย์แล้วไม่ใช่หรอ